เมื่อมีความเข้าใจพื้นฐานอย่างนี้แล้วเห็นควรพูดถึงเรื่องสําคัญบนพื้นฐานของความเข้าใจนี้ไว้สักสองอย่างเรื่องแรกดังได้พูดแต่ต้นว่าสังคมมนุษย์เป็นไปได้ด้วยสมมติหรือมติร่วมคือการรับรู้ยอมรับตกลงกันอันทําให้การติดต่อสื่อสารดําเนินไปได้และวินยัย คือการจัดตั้งวางระบบการทั้งหลายของสังคมก็เป็นไปได้นี่คือการบอกชัดเจนอยู่ในตัวว่าสมมติที่ตกลงยอมรับร่วมกันนั้นต้องอาศัยความพร้อมใจร่วมกันลงตัวเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันที่เรียกว่าความสามคัคคีพูดง่ายง่ว่าในเรื่องของสังคมนี้สมมติตั้งอยู่ได้ด้วยสามคัคคีตั้งแต่ตกลงแล้วก็ยอมรับ ร่วมรู้แล้วก็ร่วมปฏิบัติตามโด ย, น, ยนัยนี้สามัคคีจึงเป็นฐานรองรับสมมติไว้ถ้าไม่มีสามคัคคีสมมติก็อยู่ไม่ได้อารยธรรมก็สั่นคลอนเพราะสังคมมนุษย์ดำเนินไปได้ด้วยสมมติและสามัคคีก็รองรับสมมติไว้โดยทำให้คนยอมรับตามสมมตินั้นถ้าคนไม่สามัคคีกัน ก็จะเกิดการไม่ยอมรับตามสมมติเช่นไม่ยอมรับกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นหรือของคู่กรณีที่ขัดแย้งกันไม่ยอมรับสิทธิต่างๆของคนพวกอื่นฝ่ายอื่นไม่ยอมรับกฎเกณฑ์กติกาตลอดจนกฎหมายจึงทําให้เกิดความสับสนวุ่นวายระส่ำระสายจนถึงอาจจะทําให้สังคมดํารงอยู่ไม่ได้ในแง่นี้ สามคัคคีจึงเป็นพื้นฐานของวินัยเป็นหลักประกันของสมมติเป็นเครื่องรองรับและผนึกสังคมไว้แต่ยิ่งกว่านั้นอีกเหนือขึ้นไปกว่านั้นสามคัคคีทำให้สังคมเกิดมีคุณประโยชน์ตามความหมายของมันโดยทำให้บุคคลทั้งหลายในสังคมนั้นๆเป็นปัจจัยเกื้อกูลหนุนกันและเป็นสภาพเอื้ออานวยโอกาสแก่ทุกคนที่จะดารงชีวิตของตนอยู่ด้วยดี สามารถพัฒนาชีวิตของตนให้เข้าถึงประโยชน์สุขยิ่งขึ้นไปเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่มีระบบชุมชนหรือการเมืองการปกครองแบบให้บรรดาสมาชิกมีส่วนร่วมอย่างเช่นสังฆะในพระพุทธศาสนาและระบบประชาธิปไตยความสามัคคีคือความพร้อมเพรียงพร้อมใจมีเอกภาพจึงเป็นเหมือนหัวใจของระบบสังคมนั้น ดังที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำหลักสังฆสามัคคีที่ต้องมีอยู่คู่กับวินัยที่มั่นคงผู้บริหารหรือผู้ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมที่ฉลาดต้องสามารถเอาปัญญามาใช้วินัยจัดแจงให้บรรดาบุคคลหรือสมาชิกประสานเข้าด้วยกันเป็นสังฆสามคัคคีหรือที่บางทีเรียกว่าคณะสามคัคคีมองโยงลึกลงไปเทียบกับด้านธรรม ก็เหมือนบุคคลผู้เฉลียวฉลาดจะทำการตามระบบของกฎธรรมชาติให้สำเร็จผลเขาใช้ปัญญาสืบคน้นและจัดสรรเหตุปัจจัยพอได้ปัจจัยทั้งหลายพรั่งพร้อมและประสานกันเกิดเป็นปัจจัยสามคัคคีการที่ทำก็บรรลุผลที่หมายได้ผลสำเร็จดังที่ประสงค์แต่ถ้าปัจจัยไม่พรั่งพร้อมไม่มีปัจจัยสามคัคคีไม่ว่าจะทาอย่างไรอย่างไร ผลที่หมายก็ไม่เกิดขึ้นทีนี้มองแยกออกไปอีกด้านหนึ่งที่ว่าวินัยตั้งอยู่บนฐานของธรรมและเพื่อธรรมนั้นควรทำความเข้าใจความหมายของธรรมให้ครบแง่ครบด้านด้วยคือธรรมที่ว่าเป็นสิ่งธรรมชาติและกฎธรรมดานั้นแปลอีกแบบหนึ่งว่าความจริงความถูกต้องความดีงามเมื่อพูดในด้านนี้เรื่องก็มาโยงกับความสามัคคีอีก ถ้าสมมติและวินัยที่จัดการสมมตินั้นไม่ตั้งอยู่บนฐานแห่งธรรมหรือไม่เป็นไปตามธรรมก็จะทําให้คนทะเลาะวิวาทกันไม่สามารถร่วมจิตร่วมใจกันและยอมรับสมมตินั้นไม่ได้แล้วความขัดแย้งแตกสามัคคีก็จะเกิดขึ้นถ้าเป็นไปอย่างรุนแรงหรือแพร่หลายก็จะนําไปสู่ความเสื่อมสลายของสังคมจึงเป็นเรื่องสําคัญยิ่งที่จะให้สมมติที่เป็นหลักของสังคม ตั้งอยู่บนฐานแห่งธรรมและเป็นไปโดยชอบธรรมเพื่อให้เกิดความสามคัคคีแม้หากว่าสมมตินั้นขัดต่อผลประโยชน์ของบุคคลบางคนแต่ถ้าสมมตินั้นชอบธรรมมีธรรมเป็นฐานรองรับเขาก็ไม่อาจปฏิเสธสมมตินั้นได้พร้อมกันนั้นก็ต้องมีการพัฒนาคนอยู่เสมอเพื่อให้ร่วมสามัคคีในการที่จะยอมรับและปฏิบัติตามสมมติที่ชอบธรรมนั้นๆ ถ้าคนไม่ยอมรับความจริงในธรรมดาของธรรมชาติเขาก็จะได้รับผลร้ายตามเหตุปัจจัยในกฎธรรมชาติแต่ถ้าเขาไม่ยอมรับสมมติเขาก็จะแตกสามัคคีกันในสังคมมนุษย์เองและผลร้ายก็จะเกิดแก่เขาเนื่องจากความแตกสลายของสังคมของเขานั้นขอย้อนกลับไปที่จุดเดิมว่าเมื่อสมมติและวินัยที่จัดการสมมตินั้นตั้งอยู่บนฐานแห่งธรรมเป็นไปตามธรรม ตามที่ควรจะเป็นด้วยดีไม่มีความขัดข้องด้านนี้แล้วในภาวะอันเป็นปกติอย่างนี้บุคคลซึ่งรู้ตระหนักอยู่แล้วว่าการที่อยู่ร่วมกันในสังคมตนควรจะส่งเสริมความเข้มแข็งมั่นคงของสังคมหรือสังฆะเพื่อความแน่นแฟนแห่งสังฆะสามคัคคีจึงควรปฏิบัติตนในทางที่จะเกื้อหนุนสังฆะสามัคคีนั้นการที่บุคคลจะเกื้อหนุนต่อสังฆะ เพื่อเสริมสังฆะสามัคคีนั้นนอกจากการมีส่วนร่วมแล้วก็พึงมีความเคารพสง์คือถือสงฆ์เป็นใหญ่ถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นใหญ่ดังที่พระพุทธเจ้าก็สงเคารพสงฆ์การที่บุคคลผู้อยู่ร่วมในสังคมส่งเสริมความเข้มแข็งมั่นคงของสังคมหรือสังฆะนั้นในที่สุดก็ไม่ใช่เพื่อประโยชน์อะไรแก่สังฆะ ซึ่งไม่ได้มีตัวตนที่จะเสวยผลอะไรแต่การที่สังฆะหรือสังคมเข้มแข็งก็เพื่อว่าสังฆะที่เข้มแข็งมั่นคงนั้นแหละจะได้มารองรับหนุนบรรดาบุคคลเหล่านั้นให้เจริญเติบโตขึ้นไปถ้าสังฆะไม่เจริญมั่นคงก็จะไม่เอื้อให้บุคคลเจริญพัฒนาเพราะฉะนั้นจึงให้ถือหลักการเรื่องเคารพสงฆ์ถือสงฆ์เป็นใหญ่คือสังฆะ คาระวะตาและหลักการเรื่องความสามัคคีเป็นสำคัญตามหลักที่เรียกว่าสังฆสามคัคคีแปลว่าความพร้อมเรียงของสงถ้าสงไม่มีความสามัคคีแล้วสภาพชีวิตและระบบความเป็นอยู่ก็จะไม่เอื้อต่อการพัฒนาของบุคคลเพราะฉะนั้นจึงต้องมีความสามคัคคีเรื่องสมมติพึ่งพาความสามัคคี ขอว่าไว้เท่านี้ก่อนและจะโยงถึงเรื่องที่จะพูดต่อไป